ลองนั่งไปออกตามกันหลังทาวัดเด็นวันนี้าบเดินน้อยออกไปจากวัดไปน้ำตกกันอีกกลุ่มหนึง่งปฏิบัติทำเจ็ดพันก็ไปแล้วร้อยยี่สิบคน ก็เหลือแต่กลุ่มพวกเราเนี่ยแหละที่มาร่วมกันทาวัดเจนบ้างมีคนใหม่ๆเพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้มีจำนวนหนึ่งมาป่าโตๆก็ เป็นเหมือนทางผ่านแล้วเป็นที่พักที่พิงให้คนได้มนีโอกาสสัญจรไปแล้วก็มาได้อย่างสม่ำเสมอเป็นสิทธิ์แล้วก็มีสิทธิใจกันทุกๆชีวิตเลย เราก็อยู่กันแหละอย่างเรียบๆง่ายๆเจาหน้าเจ้าหน้าแต่พอดีที่พักที่อยู่คนเยอะๆก็แบ่งๆปันๆกันสาลาบ้างสาลาหน้าสาลาไก่สาลาหอไตรเดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์นะปลูกกระเบื้องล่างกลางเต็น์กันเอามุงมาครองนอนกันสบาย เป็นมิติที่เรียบง่ายเพราะอะไรเราไม่ได้เน้นมาทีิหาอยู่หากินหาความโซ่การกินการนอนยังไงยังไงก็ไม่ใช่แต่เราเน้นว่าที่นี้มันมีการยานมิตรมี รูปแบบการปฏิบัติมีครูบาอาจารย์มีวิธีปฏิบัติที่ผู้ที่ทชีที่นำหลวงพ่อครูบาอาจารย์ถ้าไม่ได้พาหลงทิศหลงทางมีแต่ควา ม, วมทุกข์จะบรรเทาผ่อนคลายหรือว่าหายไป ความไม่สบายกายไม่สบายใจมาอยู่ที่นี่ม่แต่จิตใจที่มันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาเราก็เลยมีโอกาสได้ปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างอื่นแทบจะไม่ต้องเลย ไม่พะอยู่รูปหนึ่งหลวงพ่ อ, พอเสถียรยังเคยมีโอกาสได้พบปากพูดคุยกันบางครั้งบางคราวสมัยก่อนอยู่ที่วัดป่าสุกโตเพิ่งตายเมื่อสองวันก่อนเนียมรณภาพไปถึงกั้นเคยทำอาหารให้ญาติโยมโยมไม่ต้อง ทำกลวนก็ได้เดี๋ยวหลวงพ่อจะทำให้ทานกันเองจนชาวบ้านเขาพระมาทำให้โยมกินก็เป็นบาปนะจิะหลวงพ่อเสถียรท่านว่าไงโอ้ไม่บาปหรอกโยมบุญบุญพระทำอาหารให้ยมกินจะเป็นบุญให้โยมปฏิบัติธรรม อาหารบินาบาทมันไม่พอก็ต้องทำจะได้เป็นบุญโยมจะไดออ้ไม่มีพาละอะไรหาอยู่หากินนะทานข้าวกลนบาทพระจันทอิ่มคนะทานข้าวก้นบาทอาตามาและกัผมก็เคยนะยุคหนึ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่ใหม่ มีครัวเล็กๆไม่ใหญ่ทุกวันกันยังมีแจ่วตำกันได้ทุกวันหาผักผักจิ้มแจ่วก็อยู่ได้แล้วตอนหลังมีแม่ชีมาแม่ชีลาวจากประเทศลาวก็ตั้งใจปฏิบัติขับันได้ไปช่วยครัวเก็บอารมณ์เข้ม ก็เลยให้อีกหลายลายคนไปเก็บอารมณ์ด้วยทำอาหารให้ให้ทานกันทุกคนเลย mm hmm. แล้วแต่จะมีอะไรไม่เคยคิดเมนู mm hmm. ไปที่ครัวยอมศรัทธาพระถวายอาหารมาผักหรือว่าข้าวสารไข่เนื้อต่างๆ ก็ไปดูแล้วแต่ละวันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าทาวัดเช้าเสร็จก็ไปลงเลย mm hmm. ไม่ต้องมีคนสักกี่คนคนเดียวนี่แหละ mm hmm. ตอนนั้นใครมาก็จะทำให้ฉันหมดแล้วพ mm hmm. ระกี่ลูกก็เถอะ mm hmm. แล้วก็ทำทันเลยนะตั้งแต่ตีห้าถึงเจโมงเช้าสองยี่โมงเสร็จแล้ว mm hmm. ได้มาทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวัน mm hmm. ได้ไปทำอาหารให้โยมทานกันด้วย เคยทำพฤติกรรมอย่างนั้นมาเมื่อไปตรงกับหลวงพ่ อ, พอสถียนว่าดี๋ไปในวิาญาโยก็จําเป็นมาวัดเวลามันน้อยเนะมื่อจะไปหาอยู่หากินหาถวายให้พระเสียเวลาแต่จะมองในแง่ดีแบบาใจกันก็ได้อยู่แต่การเสียเวลาหาอยู่หากินเราเป็นมาแล้วตั้งแต่อยู่นอกวัดแล้วนะจึงจําเป็นนะรูปแบบปฏิบัตินะ จนแม่ชีในรุ่นนั้นนะเข้าใจเรื่องรูปนามเข้าใจจริงๆเลยนะไม่ใช่จำเอาปฏิบัติจนกระทั่งมาพูดเทศทให้พระฟังได้หลังจากนั้นก็ไปตลอดตลอดในสายงานก็ยอมรับแม่ชีแก้วแต่ตอนหลังนี่ไม่เคยเห็นกันหลายปีละไม่รู้เป็นตายลายดียังไงแม่ชีแก้ว ถ้าใครปฏิบัติธรรมนี่ก็จะส่งอาหารส่งข้าวส่งน้ำํำส่งให้จริงๆก็เรียกว่าเก็บอารมณ์แบบอุกฤษไม่ต้องมาทำวัดเจ้าทำวัดเย็นแล้วก็บอกกันแล้วกันอาหารจะส่งให้หน้ากุดเลยแต่ต้องปฏิบัติจริงๆนะถ้าเก็บแบบธรรมดาคือออกมาถือบาตร ออกผาตักอาหารเองน้ำสมัยก่อนก็ไม่มี น, ะน้ำเนี่ยตามกุฏไม่มีห้องน้ำแม้แต่ห้องเดียวกุฏิบนหลังเขากุฏิที่ไหนก็เหอะทุกคนต้องมาเข้าห้องน้ําที่สาราไก่แสงไฟไม่มีนอกจากเทียนไฟฟ้าไม่มีเทียนก็อัตคัดเลอะเกินต้องใช้อย่างประหยัด ขี่น้ำไปดื่มหมดก็ออกมาตักอยู่อย่างนั้นนะไม่มีเครื่องกรองประเภทที่ว่าระบบรีเวิร์สออฟโมดซิสไม่มีประเภทกรองมลคาศูนย์จุดศนะูนย์นาเนี่ยไม่มีออยกให้50 PS ิบแต่ที่นี่ระบบไม่เกิน10มันอัศจรรย์นะ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่นเพราะการปฏิบัติก็ต้องเรียกว่าคู่กันไปมีการปฏิบัติให้สมกันที่เราได้เสียค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าที่พักสารพัดไม่มีกิจอื่นจเจริญสติให้มัน สติเจริญเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวทั่วสะพาไกายจนหายสงสัย mm hmm. จนจะนั่งจะเดินจะยนืนจะนอน mm hmm. จะทำอะไรเป็นเรื่องของการเจริญสติ mm hmm. ที่สติมจเจริญเกิดความว่องไวทันความคิด mm hmm. คิดปับรูปปุ๊บ จเป็นการสัมผัสรู้ธรรมะได้ทั้งวัน mm hmm. มันหลงก็รู้ได้ mm hmm. แล้วมันถึงจะคุ้มค่าแล้วก็ศาสนามันก็จเจริญรุ่งเรืองคือตัวเราไม่ทุกข์หรือทุกข์มันน้อยลงไป mm hmm. มันจะเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญ mm hmm. เรื่องนรกสวรรค์เรื่องของพระพุทธศาสนาคือจิตของเราที่มันรู้ตื่นเบิกบาน รู้รูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกรูกสมมตุตินามสมมติสมมติบัญญัติปรมิถาสภาวะมันรู้จริงๆจนมันทำได้เรื่อยๆรูปแบบออกนอกรูปแบบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอารมณ์เกิดขึ้นมาความพอใจไม่พอใจ ราคะปฏิกามาน้าทิฏฐินะมันเกิดที่การปรงตั้งนั้นนะนะมันอยู่ในความคิดทั้งหมดถลงเผลอเข้าไปนะมีอุปทานยึดหนะมกมุ่นคุณคิดนะย้ำคิดย้ำทำนะทุกครั้งแต่มีความรู้สึกตัวรู้เนือ้อรู้ตัวนะมันก็จะหลุดทันที หายสงสัยทันทีไม่เคยเห็นก็เห็นนะความคิดเนี่ยเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นมันก็เป็นขึ้นมานะมันรู้ว่าไม่ได้เจตนาคิดมันคนละตัว ก, กันกับความรู้สึกติฐานกายมีทุกคนเด็กก็คิดแบบเด็กก็แหละคิดแล้วก็ทุกตัวความพอใจไม่พอใจ ทุบประการเรียนทุบประการเงินทุบประของเล่นทุบประอินเทอร์เน็ตทุกพรเล่นเกมเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะทุบประว่าไม่ได้อาหารที่มีรสชาติถูกปากไม่มีสารผงชโลมไม่มีสารเลีงโตไม่มีเนื้อนมไข่เนย สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดอารมณ์รุนแรงได้เหมือนกันพอมาอยู่วัดโยวาเราก็เห็นแล้วนะมันแตกต่างกันกับชีวิตจริงๆของเราพยายามที่จะมาวัดมันก็ได้วัดสมใจมันคิดมากแล้วมันรู้สึกตัวมาก มันลงมากแล้วมันรู้สึกตัวมากมันเป็นปกติมากแล้วผิดปกติมากมันนั่งเดินยืนนอนรู้สึกแล้วมันนั่งเดินยืนนอนเผลอเนื้อเผลอตัวทั้งวันมันก็จะอ่านตัวเองออกดูกายก็อ่านกายดูจิตดูใจก็อ่านจิตอ่านใจดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นความคิด ดูความคิดเห็นธรรมอารมณ์ต่างๆกุศลอกุศลเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปนเป็นกฎของกรรมฐานกฎของธรรมชาติเป็นไปเองก็ลองมาดูกั น, นมันจะจริงหรือไม่พิสูจน์กันดูกรรมฐานทำได้ทุกคนกายก็มีอยู่แล้ว ความคิดที่มันเคยคิดอยู่ก็มีนิสัยอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนนิสัยจะเผลอลงคิดเราก็ไม่ไปกลับมารู้สึกที่ฐานกายของเราโตตอบแบบนี้เผลอเท่าไหร่รู้เท่านั้นคิดเท่าไหร่กลับมาได้เท่านั้นจนชำนาญไปเอง1วัน2วัน3วัน4ี่วัน5้าวัน6วัน เจ็ดวันอย่างกลุ่มเจ็ดวันนะยงกลุ่ม7วันที่บังกับนี่ก็มีอย่างน้อยๆก็สัทธานละแต่หลายคนก็เริ่มเห็นว่าวรสศาสนาสอนนี่เป็นจริงที่จริงตัวเองก็สอนตัวเองนะเพราะมีการกระทำกันแบบเนื้อๆเลยงานอื่นไม่ต้องทำจะมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆไป เขนแผ่นพื้นให้ขนแผ่นพื้นก็มีความรู้สึกตัวกันค่อยๆชี้ค่อยๆบอกการทํางานเป็นการใบปฏิธรรมทําไงอยู่ด้วยกันมาเช้าเทปูนถนนก็เห็นอยู่ลองเอาไปใช้จริงๆที่มันเป็นยังไงการเคลื่อนไหวทํางานเป็นการจรลสติฝึกมาหลายวันแล้ว6วันแล้ววัน ที่ลองดูก่อนกลับลองใช้ดูมันจะต่อยอดได้ไหมทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบมันจะทำเป็นหรือไม่ก็เห็นว่าใช้ได้บางคนก็จับประเด็นได้นี่มันก็ก่อประโยชน์อย่างนี้นะถ้าเรามันสังเกตกายสังเกตใจของเรา ใจจะดูได้ยังไงว่ามันคือใจเพราะจิตใจเนี่ยมันไม่มีอะไรมันว่างมันเป็นนามธรรมมันเป็น้ารู้ทาดว่างจิตที่เดิมแท้ประพัดสอนผ่องใสกับจิตที่มันไม่เดิมจิตที่มันปรุงมันแต่งมันต่างกันยังไงเราจะได้สัมผัสเวลามีความคิด เผลอหลงก็เป็นในความคิดมันมีปฏิยาอาการอย่างไรใหม่ๆเราจึงไม่ต้องไปให้ค่ามันสำหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งมาเจริญสติแนวหลวงปู่เทียนเพิ่งมาถึงวันนี้อาจจะเป็นคนเก่าแล้วมาใหม่หรืออาจจะเป็นคนใหม่ยังไม่เคยฝึกหัดมา ก, ก่อนเวลาเราเจริญสติเราไม่สนใจความคิดเลยนิดเดียวก็ไม่เอา แต่มันจะคิดของมันเองเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราพยายามที่จะเ่ินไหวรู้สึก14จังหวะพลิกมือตั้งรู้สึกยกขึ้นไปรู้สึกมาที่จะดือรู้สึกอันนี้รูปแบบการปฏิบัติจนครบ14จังหวะการเดินจงกรมเร า, ยาพยายามที่จะทำพยายามที่จะฝึกจนมันมันรู้ตื่น เห็นกายกายตื่นจะมารู้แล้วมันตื่นรู้ตื่นจะทําได้เรื่อยๆถ้ารู้แล้วหลับมันก็รู้แล้วไม่ตื่นนะมันไม่ตื่นเป็นพุทธะมนรู้แล้วมันหลับไหลมันง่วงเผลอเนอนอย่างเงี้ยมันผ่านเบื่อมันผ่านให้เราเหมือนกับว่าเซ็งเบื่อก็เบื่อเวอร์นะไม่ใช่เบื่อธรรมดาเซ็งก็เซ็งเวอร์ มันจะเซ็งธรรมดาแทนที่มันจะเบื่อนิดเดียวยิ่งเคลื่อนยิ่งเบื่อมันก็จะมีปฏิกยาการต่างๆจนให้จิตใจของเราเข้มแข็งตรงนี้แหละมันเป็นแบบฝึกหัดนะบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่สี่บทที่หนึ่งทำละง่วงเฉลอยอย่างไร บทที่สองทำแล้วก็ฟุง้งซ่านจะเฉลยอย่างไรคิดมากบทที่3ทำแล้วปวดแล้วเมื่อยนะจะผ่านยังไงมันก็เป็นบทเป็นบทเป็นบทบทต่ อ, ตอไปอาจจะทำแล้วปิติสุขจะเกี่ยวข้องกับปิติสุขยังไงทำแล้วโล่งเบาเนื้อเบาตัวจะเกี่ยวข้องกับมันยังไงมันจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ ยังใครมีอาการคิดมากๆเก า, กากเก่งมากๆเลย <Yeah. S 1> เราจะไม่บ่นว่าโอ้ทาไมมันฟุ้งซ่านทำไมมันง่วงจัง <Yeah. S 1> มันจะไม่มีคำบน่นเลยไม่ไดโอ้มาแล้วมาแล้วอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆมาแล้วมาแล้วเราก็ตั้งสติดีๆเรารู้ในสิ่งที่เรากาลังทําดีๆ <Yeah. S 1> ไม่ได้รังเกียจเ้า yeah. นี่แหละมันจะเก่งตรงนี้แลหละนะฮะเราก็จึงไม่นะตองมาเสียวเวลาเหมือนกับที่เราเคยทํากบเกลื่อนไปก่อนปฏิวัติธรรมจะมีการกบเกลื่อนพอทําไม่ได้ก็ไปทําอย่างอื่นแท น, นกบเกลื่อนยกมือนในรูปแบบไม่ได้เดินจงกลมไม่ได้ไปหาอย่างอื่นทําแทนการงานต่างๆ มีเวลาน้อยเ น, น, นี่ยไม่ต้องไปหาอะไรทำหรอกเก็บกดทำไปทำมากระเพ่งจี้จ้องหลบอารมณ์ไปเลยประเภทนี้พอเจออารมณ์อะไรขึ้นมาก็ไม่ชอบพอไปที่กรัวก็พูดกันมากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้ น, น, น, นไม่ชอบหลบอารมณ์ เจอยุงเยอะเอาไม่ชอบต้องนอนกลางมุ้งอยู่ในมุ้งนั่งสร้างจังหในมุ้งเอาก็ไม่ผิดทำได้ก็ทำไปอยู่ในกุดอเาวไม่ได้มดดำเยอะอีกมีแต่มดเดินเต็ไมไปหมดเอาจะหนีไปไหนล่ะมองกลางล่งกับมดดำเงยมองหลังคาก็ตุ๊กแกโอ๊ยจะไปอยู่ตรงไหนกันเนาะโลกใบนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของ กดแล้วก็กบเกลื่อนกันไปนะจึงพร้อมผเผชิญปฏิวนะัติทำอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะฝนจะตกฟ้าจะร้องทั้งหมดทั้งสิน้นะมันจะเป็นเรื่องความสะดวกนะเป็นเรื่องความสะดวกนะให้เราใช้ชีวิตง่ายๆสะดวกสะดวก ความคิดความฟุ้งความสัน้นะมันจะกลายเป็นบวกบวกลบๆบเราก็สังเกตว่าปกติมันก็มีนะก็อยู่ก็ได้โดยใจปกติมันก็มนะีมีหลายคนมาที่นี่นะแล้วก็มาตายอย่างเตียงที่หลวงพ่อเสถียรไปนอนเนะีนะ่ยเตียงเป็นเตียงเหมือนเตียงโรงพยาบาล สถิติตอนนี้ก็ศอบที่สามแล้วเตียงอันนี้นเตียงแรกอาจารย์วรฒเทพเตียงนอนที่สองคุณอยู่ก็ไปไว้ที่อรุโกรยาขนจากอรโกรยาไปให้หลวงพ่อเสถียรนอ น, นสอบที่สามแล้วใครจะจองไปไล่ต่อไปไหมเตียง น, นอนที่วัดนี้ดิกลัวไหมถ้าไปเจอเตียงแบบนี้หรือเจอกุฏิที่มีคนตายกลัวไหม ที่มีคนตายอยู่ในกรุดนี้เพราะวัดคนก็ไปไปมามาอยู่แล้ววัดเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์หรือคนที่อยู่ก็มีความเมตตาสูงจะมาเป็นก็ได้จะมาตายก็ได้จะมาอยู่ไปวันๆหนึ่งก็ได้ไม่ทำให้ชุมชนมันยุ่งเหยิงสับสนรุ่นวุ่นวาย ก็อยู่ได้อย่างสบายพระจาทินนี้จึงเหมือนเหมือนบ้านใครจะไปใครจะมาจะอยู่กี่วันตามอัธยาศัยเลยการเหลืออะไรให้บอกกันไม่กระทั่งตินอารมณ์ปฏิบัตินะที่นี่มีหลงตะกลมนะพระรูปอืน่นก็จะเดินทางไปไหนกันหมดแล้วไปสอนธรรม หลงตกรมก็คงยังไม่ได้ไปไหนนะพวกนี้วันที่สี่ที่ห้าผมเรืองตามาก็จะเดินทางต่อไปแล้วสี่ห้าวันกาจารส์สมใจกาจาร์แจ็ค ก, กับพระบีมสี่รูปไปสุรินปกติที่นั่นก็จะมีคนประมาณ100ร้อยกว่าคนสถานที่แบบนี้ไม่วุ่นวายเลยคน100ร้อยกว่าคนแม่ครัวอยู่สองสามคนมีแม่ครัว หนึ่งคนแล้วก็มีผู้ช่วยแม่ครัวสองคนคนงานอีกคนหนึ่งคอยเก็บเก้าอี้หรือ ว, ว่าเช็ดถูสาราคนอยู่ประมาณร้อยสองร้อยคนอาหารสามสี่อย่างไม่วุ่นวายเลยครัวเงียบกิ๊บทำกันไม่มีเสียงเลยเมื่ออาชีพนะจึงมี ความแตกต่างกันก็จำเป็นกิจนิมนต์ก็ต้องออกไปกั น, นวันที่อยู่ที่นี่ก็อย่าทิ้งตัวกรรมฐา น, นตัวกรรมฐานคนที่ตั้งใจมาจอากอินเทอร์นเน็ตก็ดีหรือเคยมาแล้วพาเพื่อนมาก็ดีหรือมาด้วยเจตนาอื่นๆนพยายามเข้าถึง ตัวชีวิตจิตใจของเราตรงๆไม่อ้อมเวลาแรงบันดาลใจจะมาด้วยอะไรก็ตามเก็บเกี่ยวประโยชน์ให้ได้เพราะว่าชีวิตของเราต้องพึ่งพาความรู้สึกตัวจริงๆไม่ง้ก็จะแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นตายไม่เป็นพัดผ้าจากของรักของชอบใจก็ทามไม่เป็น ปัตนาสิ่งใดไม่ได้ถึงนั้นก็เป็นทุกข์ไม่รู้จักเลยความเป็นปกติสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรแต่จิตของเรามันไม่เคยฝึกมีปัญหาใจก็มีปัญหาไปด้วยพอเข้าวุ่นวายเราก็วุ่นวายไปด้วยพอเข้าทุกข์เราก็ทุกข์ไปด้วย เขสับสนแล้วก็พลอยสับสนไปด้วยกับโลกทั้งใบแต่วันนี้พอเรามาฝึกสติมีความรู้สึกตัวเดินก็นรู้สึกตัวนั่งยกมือก็รู้สึกตัวจะกินจะกลับถ่ายจะหลับจะตื่นรู้สึกตัวพอถึงตรงนี้ผลมันจะเกิดขึ้นมาก็คือได้คําตอบเขาวุ่นวายแล้วมัได้วุ่นวายก็มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะน เสับสนเรากไม่ได้สับสนก็ไม่รักเราเราก็รักเขา mm hmm. เวลามีปัญญามันก็จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนั่นแหละ mm hmm. แต่ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่คิดเอา mm hmm. แต่มีการที่จิตของเรามีหลักแหล่งมีที่พึ่งก็คือความรู้สึกตัวค mm hmm. วามรู้สึกตัวมันจึงเป็นความรู้สึกตัว mm hmm. มันเป็นอื่นไม่ได้หรอก มันก็จบที่ความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวตกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้ได้ทันทีกายเคลื่อนไหวก็รู้ได้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ได้วิชากรรมฐานอยู่ที่นี่เรียนรู้ฝึกหัดจนจากอนุบาลเป็นปฐมปฐมเป็นมัธยมมัธยมเป็นอุดมศึกษาแล้วก็จบให้เป็น มีบางคนจะอยู่จนถึงคอสสี่สิบวันเลยบางคนก็ตั้งใจจะอยู่สี่วันก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปเพราะั้นบันเพือเหมือนกับว่าความคิดพาธรทำความคิดพามาถ้าความคิดพามาความอยากพามาเดี๋ยวความคิดก็พากลับความอยากก็พากลับตัวเดิมนั่นแหละเชื่อไหม มันต้องทวนกันผสมควรดเดียวอะไรจะพาเราทวนทำมีความอิ่มมีความอบอุ่นมีความมั่นอกมั่นใจมีศรัทธาเชื่อมีการกระทําลงไปเดินจงกรมจริงๆบางคนเจวันที่มาเนี่ยก็เดินจริงๆนะปรากฏว่าได้ผลมันเดินกันได้ยังไงต่อเช้า เก้าโมงถึงเที่ยงจากเที่ยงให้ลงฐานเลยเดินถึงสี่โมงนอยู่กันเองไม่มีพระดูเลยไม่ให้นิมิตเลยให้มันเกิดจากก้างในจริงๆไม่ให้นิมิตผ้าเหลืองนิมิตผ้าหลวงพ่อครูบาจารย์ไม่ให้เพรเดี๋ยวกลับบ้านจะทํำยังไงก็ต้องให้ทำเอาเองเชียร์ตัวเองบอกตัวเองสอนตัวเอง จนได้หลักเอาเองแล้วเอาหลักไปใช้ต่อปฏิวัติต่อทำกันได้หลายคนก็เกิดศรัทธาใช่ไหมแต่พยายามไม่ให้เกิดศรัทธาตัวบุคคลให้ศรัทธาตัวการกระทำตัวรูปแบบของการปฏิบัติก็จึงดตรลีคิดสร้างที่เดินให้ที่นั่งให้เห็นความสำคัญ ใครไม่เห็นไม่สนใจแต่ส่วนตัวกับผมเริ่มาเห็นความสาคัญจริงๆเพราะ mm hmm. ตรงนี้มันเกิดจากการกระทำไม่ใช่การหลอกการลวงต้มตุนเด็ดขาดเ mm hmm. มื่อทำอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเริ่มต้นอย่างนี้ผลของการเดินทางต่อไปอย่างนี้มันตรงไปตรงมากฎของกรรมฐานกฎของธรรมชาติอา mm hmm. จ์มันเห็นธรรมชาติเห็น ที่สุดของธรรมชาตินะมันมีอยู่ที่สุดของธรรมชาตินะก็คือการหยุดการแสวงหานะทั้งรูปแบบปฏิบัติครูบาอาจารย์ต่างๆมันหยุดเพราะมันได้คำตอบมาแลหายสงสัยไปเลย <Yeah. S 1> การเกินกันไหวคืออะไรรู้สึกตัวคืออะไร จำได้มีอยู่เพลงเดือนพฤศจิกายนเก็บรมเข้มปี น, นั้นมีพระมาถามเป็นพระที่จบการศึกษาสูงสุดในพุทธศาสนาเหมือนกันมีชื่อที่เดียวในประเทศไทยทำไมต้องให้เดินจนกลมดนะ้วยทำไมต้องยกมือสิบสีชังงวะโดยทำอย่างอื่นไม่ได้หรือไงมันเป็นธรรมะเหรอ ทำไมต้องทำเก้าวันต้องทำเจ็ดวันทำไมต้องทำห้าวันไม่ต้องกำหนดวันทำไมมันเป็นธรรมะเหรอใช่เหรอ <Yeah. S 1> ว่าถ้าเจอคำถามอย่างนี้ยอมจะตอบก็ว่ายังไงเอาไว้เชื่อว่าท้าไมได้ลงมือปฏิบัติมีผลแล้วเรามั่นใจในสภาวะที่เราเห็นตัวเองอยู่ ถ้าเป็นคนไม่รู้แล้วถามเนี่ยยังจะตอบอยู่ในพระสามรูปมีความรู้สูงมากเป็นพระสายธรรมทูตมันเหมือนกับรองภูมิอย่างแรงเป็นคำถาม ท, ามที่ถือว่าถ้าไม่ตอบมันก็ผิดถ้าตอบมันก็ผิดก็เลยเลือกไม่ตอบ แต่ถามกลับถามกลับว่าท่านบวช ท, ทำไมพราะท่านท่านบวชมาตั้งหลายเปียท่านถามคำถามแบบนี้อยู่ก็แสดงว่าเสียเข้าสุขแล้วล่ะถ้าท่านรู้แล้วท่านมาถามก็แสดงว่าลองภูมิแล้วล่ะ <c oughs> การยกมือในรูปแบบ 14จังหวะนี่เป็นแนวหลวงผู้เรียนจิตเตโพนะเคยทำไหมเคยได้ยินไหมการเคลื่อนมือ14่จังหวะแต่แลย่งังหวาเป็นรูปแบบเฉยๆจิตใจเราใช้มานานแล้วไม่รู้หรอกมันแบบไหนเป็นแบบเปลตดเป็นแบบสาดเดชชานจัดนรกอสุ ร, รากาย เป็นอบายภูมิร่วเป็นเทวดาแบบเทวดาเป็นพรหมแบบพรหมรือมเป็นแบบพระนะลองวัดมันดูสิมาวัดป่าสุกโตไปแล้วด้วยดีก็วัดดนะูใช้การเดินจงกรมใช้รูปแบบสัตว์ี่จังหวะนะอย่างที่ก็ทํากันอยู่เนี่ยโยมก็กลังเก็บอารมณ์เข้มกันอยู่เนี่ยก็ลองดูมันง่วงไหมมันคิดฟุง้งซ่านไหมมันมีการมีพยาบาตรไหม มันมีความก่าเหงาๆนอนเจ็บปวดเมื่อยเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวไหมลองดูแล้วทำยังไงถ้ามันปกติก็แสดงว่าเออเป็นแบบพระถ้าสุกเป็นแบบเทวดาถ้าทุกข์ก็เป็นแบบผีอบายภูมิแบบเปลดจันท์โลกสุรกายลองดูสิพวกเราลองดูนะเนี่ยพอเคลื่อนมือนะ ในแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงหรือว่าอา้าวเป็นนาทีก็ไนะด้โดยที่จิตมันเป็นแบบไหนขณะจิตนั้นนะและจุดอ่อนของการยกมือ14บสี่จังหวะการเดินจงกรมมาจุดอ่อนที่ทำให้เราไม่ทำคืออะไรสังเกตดูบอกทิศบอกทางดีเดียวแล้วการพัฒนาจิตของเราเนี่ยนะการเจริญสติภาวนาแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะมีความหมายมาก เมื่อเมอนั่งสร้างี่ว่าเมื่อยขาแล้วก็เดินถ้าเดินจนกลมเมื่อยแขนเมื่อยไหลแล้วก็นั่งมันเป็นอย่างนี้นะเดินไม่ใช่เมื่อยขานั่งยกมือไม่ใช่เมื่อยแขนนั่งในเมื่อยขาตอนนี้เรานั่งเนี่ยยกมือเสียงว่าเมื่อยขานั่งฟังในเมื่อยขานั่งกดทับมานานแล้วรวมทั้งสวดมนต์กันหนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้มันก็มีปฏิญาณมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมา ใค่เราได้ตอบได้ผ่านก็วัดเอาเถมาวัดก็วัดเอาแต่เป็นแบบพระเจ้าก็อินทรีย์แก่กล้าทนโดยไม่ต้องทนมันมีคำ ว, ว่าทนโดยไม่ต้องทนมันเป็นยังไงก็ลองทำดูใหม่ๆคือทนแต่หลังๆมันคือไม่ต้องทนพอ ร, รู้แล้วคืออะไรจะแก้ไขปรับเปลี่ยนผ่อนคลยบรรเทาหรือว่าดูมันจนเห็นเป็นพาตลักษณ์ก็ได้ทั้งหมดนะ การเกิดดับทำไมต้อง9วัน9วันดีกว่า7วัน7วันดีกว่า5วัน7วันพระเจ้าเลตัดไว้ชัด7วัน7เดือน7ปีลองทำดูสิมันจะมีผลเกิดขึ้นมาเกิดนิสัยเกิดเหตุปัจจัยขึ้นมามันมีผล เวันดีกว่าหาวัน5้าวันดีกว่าสาวันสาวันดีกว่าหนึ่งวันหนึ่งวันก็ยังดีกว่าไม่มาเลยมาวัดบารามเรีว่าวัดป่าสุกโตมาผ่อนคลายหรือว่าพักผ่อนฟื้นฟูเยียวยากายใจของเราให้มันสดชื่นขึ้นไปมีกําลังแล้วก็ไปลุยโลกใหม่บางทีมันทํางานมากๆให้ก็รมก็อ่อนละ ทำงานทำการจนลืมเนื้อลืมตัวหมดกำลังหมดแรงใจใจหมดแรงเราก็อยู่สังคมแบบนี้สักระยะนึงอยู่กับธรรมชาติที่ต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สาราสิงค์สอนเกิดการผ่อนคลายขึ้นมาเอธิวัดนี้มันมีลิงมีชะนีได้เหรอยใครเคยเจอบ้างยกมือด้ วันนี้ช่างมันทาสีมันเจอชนีตัวหนึ่งอยู่บนยอดไม้พอเห็นคนก็โดดหลบไปปกติที่ไม่มีนะ่าลิงที่มีอยู่สองวันก่อนก็เห็น40ตัวหรือ50าตัวในประมาณนีนะ้เห็นอยู่หน้าวัดนะเจียวเจ้าอะไนเนนจนเป็นลิงเลยโย จับปูใส่กระโดงองยิงนนสนุกดีอยู่กับสัตว์สาลาริสิงผ่อนคลายมันช่วยเราอยู่ทีมกันที่สุดฝึกนะการฝึกสตินะจำเป็นต่อเราผู้ใหม่ทีเดียวอ่าวันนี้ก็พูดเรื่องหนาที่ว่า อ, อนิมิตของคนใหม่นั่นแหละกับเหตุการณ์ทิมเพิ่งผ่านไปแวบบแบบ คนเพิ่งกลับบ้างเน้นเพิ่งกลับบ้างหรือนะว่ามาตอนเย็นคนงานมาถามเรื่องลิงก็นะเห็นว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะทั้งภายนอกภายในที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนะมันไม่มีคาว่าแปลกแยกอะไรอยู่ที่นี่นะต่อให้มันมีผีมีสัตว์ไล่ก็ไม่กลัวเนะพราะเราจะกลมกลืน เขาไม่รักเราเราก็จะรักเขาจึงไม่มีศัตรูทีนี้อยู่แบบเพื่อนมิตรพร้อมที่จะให้อภัยกันมีคุณธรรมต่างๆแสดงออกกันมาทางกายวาจาใจอย่างนั้นนะผู้นิชชาก็กล่าวว่าจะเดินทางไปสุรินประมาณตีสี่ถึงตีห้าจะดูก่อนที่อาจจะทำวัดก่อนหรือบางทีอาจจะไม่ทําวัดตีห้าถ้าทําวัดก็จะเดินทางทำไมจะทําวัดก็ตีสี่ลง อะไรอย่างนี้เหรอสมควรเกี่ยวไรเราก ล, าล่วกาวาพร้อมกัน